อือ Talk to me วันเนี้ยเราไม่มีแขกแต่คุณ 1 2 ใช่ 2 เลยตําเลยนะมันก็ว่าไงคุณก็ไปตามงานไปแอปไปอะไรอย่างเงี้ยวงแบบ 3 ถามชีว่า 4 นี่มาคุณก็ กติกาของเราวันนี้ถึง 8 แล้วมาเล่าให้ฟังว่าคุณมี ก็นั่ง Facebook เล่นๆไปก็จะมีคนมาแอดแอด ส่วนปกติก็มีผู้หญิงมาบ้างนั้น โปรไฟล์เออหมายถึงก็น่าจะนั้นว่าตอบบอกว่าเผอิญบอกชื่อเธอด้วย เค้าชอบดูอย่างเงี้ยขอดูอย่างเงี้ยเลยผู้ DVD นะครับอ่า DVD คือได้ ซื้อไม่สามารถไม่มีคุณต้อง 1 สายพี่ 1 ลืมตัวหมดสวัสดีครับคุณครับปันครับคุณ อ่าคุณซานวันนี้โทรเข้ามาอ่าเคยมีผู้ผู้หญิงมาครับมาจีบมาจีบ แต่หมดเลยเพราะเค้าจะมาติดข้อหาให้เราแบบ 9 คุณ แต่ผมก็คือผมไม่ไม่ไม่ได้ชอบ อ๋อไม่ได้แบบคือเค้า 2 คุณ ทำไมเรื่องบนโซฟาก็ได้เค้าเดี๋ยวเค้าจะตอบครับ 1 4 อ่ะ มาทําการรายการได้ฟังหรือเปล่า 3 เอ้า 2 แต่ว่าขอโทษนะผมไม่อ๋อก็แป๊บเดียว 1 เอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผู้หญิง 5.7 เออเขาใช่ 5.7 เออ 9 ครั้งต่อใช่มันอย่างงี้ใช่อ่ะก่อน มันไม่ทราบเสนะครับเค้าไปแบบเฉยๆอ่ะครับอ๋อเค้าหายไปเฉยๆเค้าหายใช่ครับเค้าเลยไม่ใช่เค้าฉลาดเค้าฉลาดแล้วใช่โลกเค้า บอกใบ้ให้เค้ารู้ตัวมั้ยผมก็เลยเอ่อก็ก็ทําให้ยากครับคุณสรรมัน ดูดีมากครับอืมดูดีเหรอดูดีดูดีเดี๋ยวๆเดี๋ยวหลังไมค์ดิชั้นขอ MMS ได้มั้ยต้องโอเคอ่ะคําสุดท้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยว ก็กําลังคือคือครับแต่ยังโอเคคุณน่ะ 5 เลยคุณขอบคุณ ดูอยากเป็นแบบเนี้ยว้ายเอคุณน่ะรู้ตัวโอเคครับสุขภาพการอะไรในชีวิต